เฮียวางนะซึ่งมีพระพุทธรูปใหญ่ที่ไหน อ, อ่อะคือหามาลุ่งมากนะคน น, น, ะค น, นั่นกับสวายพระพุทธรูกเขายสวายพระลูกเลยเกลื่อนถ้าเขาเปแี่ยนใจจะว่าไงรับไว้แล้วว่าอยเกลือ่อนตั้งแต่เศษเล็กเศษทองหัวใจคนไม่ไเป็นทองทําอย่างสบายสบายมาคิดอย่างง่ายง่ายคิดแล้วก็ เอาทะลุปไปซื้อพระพุทธรูปมาขายเขาขายแล้วเอามาให้ภาพแบบหามพระพุทธรูปเต็มอยาํำนักตำนักเราให้เป็นขึ้นมาที่น่นะพระพุธรูปเป็นเครื่องหมายแห่งการเคารพบูชาแต่ความเมตต์ ง, งจริยาจะด้อมเข้ามาสู่จิตใจปฏิบัติสังรวมระวังใจเจ้าของใจนี้เป็นมหาเหตุ ชอบคลิ๊กอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนมาขั้งหลับมีเวลานอนหลับเตอนนั้นเป็นเวลาดับเครื่องของของความถูงทั้งหลายที่มันก่อปวนตลอดทั้งวันเลยทั้งวันเลยนีเครื่องมันติดเองนะแต่เวลาดับดับไม่ลงต้องอาศัยการนอนฮับถ้าเวลาคลิ๊มากๆนอนยังไม่หลับก็อยู่นะดับเครื่องไม่หยุดอืมันคลิ๊บมากๆก็เลยไปอยู่มามาปเป็นบ้าเลยก็งหนึ่งเพราะความที่ความถูงมากมัน เม่ให้อยู่มาหาเถร ต, ตัวมันทึ้นมันปรุงมากๆเนี่ยให้มาอยู่กาพระุทธเจ้าแล้วน้องอาชามกากต่างกาปว่าเขาลนับถือท่านน้องเขามาสู่ใจของตัวเองให้อยู่แย่ติดใจต่ตตของที่ชื่นตาชื่นใจของธรรมคือเช่นสถานที่อย่างนี้ เวลาบวชแล้วพระพุทธเจา้าประทานพระอุปัให้ทุกทุกองไม่มีเว้นแม้แต่องเดียวประทานพระอุปัฏฐาที่มลุกขมูเลยเสนาสนาันิสาจะประประชาตัดทัเตยาวกีวังอุซ่าโอก ร, ระนิโยบรรพชาบรรสมบต์แล้วให้ท่านทั้งหลายไปเที่ยวอยู่ตามลูกขมูล้มไม้ในป่าในเขาตามถ้าเมื่อมผา ป่าชาป่ารคชาติที่แจ้งลองง้อมฟังพันปอกฐานที่สะดวกสบายในการบําเพ็ญเพียรปราศจากสิ่งก่อควรทั้งหลายและเธอทั้งหลายจงกุศลพยายามอยู่และบําเพ็ญในสถานที่เช่นนั่นตลอดชีวิตเธอนี่คือพระอุวาตของพระพุทธเจ้าที่บวชพระเสร็จเรียบร้อยแล้วประทานพระว่านี้ให้ทุกองนี่ลูกขมูลลมไม้ ในป่าในเขาหนักปั้งที่ตามถ้ำเนื้อผาท่านสอนสอนผ้าสอนอางา น, นไม่บวชแล้วให้ไปหาอยู่ตามตลาดราดเดที่กระดูกหมูกระดูกวัวชุมชุมนะท่านไม่ได้ว่านะแต่เวลานี้ผ้าเรามันหน้าด้านมากบวชแล้วมันจะโดดเข้าไปหากระดูกหมูกระดูกวัวคนชุมชุมกระดูกหม้ากระดูกหมูกระดูกห ม, กกมาชุมชุมที่ไหนมันอยากไปที่นั่นแนละ้ว <c oughs> แล้วมันก็ได้ของอย่างนั้นเราเอามาอวดกัน อวดที่เหลือวดกันสุดท้ายก็ได้ชื่อได้เสียงมาอวดกันได้จะชื่อก็เอาความดีดีในหัวใจไม่สนใจเรื่องงันเรื่องทําไม่สนใจสนใจแต่ความสกปรกโสมมเรื่องลาบเรื่องยศสรรเสริญเดินยอลงลงแรงแล้งไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนี่เวลานี่บวชมาแล้วมันหันไปยังนั้นนะถ้าพุทธเจ้าสอนให้เขาไปอยู่ในป่าให้เขามันไม่ยอมฟัง มันฟังเสียงที่เล็จอย่างเดียวเข้าไปหาที่นั่นที่สกรปรกรกลุงลงังทั้งหัวใจทั้งภายนอกภายในเต็มไปหมดเวลานี้ <c oughs> นี่เรามาเห็นอยู่อยางนี้เราชื่นตาชื่นใจตามทางของศาสตราที่ทรงสอนไว้แล้วในส่วนมากผู่บำเพ็ญธรรมท่านมักจะได้รู้หรือได้รู้ เหตุรู้ผลรู้อดรู้ธรรมได้มาขวนมีผ่านตามสถานที่เช่นนี้นะท่ามันได้ไปรู้ไปเห็นอดทำได้ความอัศจัรย์มาแจบโลกแก่งสารจากตลาดชุมชนกระดูกมูกระดูกวัวชุ่มชุมลาบจักการะชุ่มชุมอะไรเลยท่านไปหาในที่เช่นนั้นได้มาประกาศธรรมสอนโลกอยู่เวลานี้พระพุทธเจ้าของเรานี่ก็สองพันยกว่าปีนี่ประกาศธรรมสอนโลก ที่ได้มาจากป่าจากเขาพระองค์ทรงบาเพ็ญอยู่ในป่าเป็นเวลาหกปีถึงขั้นสลบสลายแล้วนำมาสั่งสอนสารโลกให้เรามีพระนี่แหละเป็นอันดับหนึ่งสอนเมืองต้นที่พระพุเทธเจ้าอยู่นั่นถ้าเราจะชื่อทันสมัยอย่างทุกวันนี้ก็เรียกว่ามหาวิัยป่าล้วนๆคือป่าในเมืองอะไรเขาอย่ลืมนั่นแหละ เมืงองจำพทเธนั้นไม่มีนะในตรานานแล้วเราจําไม่ได้เมืองที่ที่พระเจ้าทรงบำเพ็ญอยู่นั่นอยู่ในป่าจัดตลู่ในป่าบรรดาพระเจ้าประสงค์แตก่อนยังไม่มีภาพเป็นหรือสีดาบทอาพึ่ปฏิบัติตรงด้วยความสงบงามตาเช่นเบนจวาศีทั้งห้าเ <c oughs> <c oughs> นี่นเข้าไปฟังพระโอวาทของพรเจ้าได้มารู้อัดคำขึ้นมาเป็นปฐมสาวก ในเบื้องต้นคือเป็นวกวะบีทั้งห้าออกมาจากป่าที่เบอร์เจ้าประทานว่าจอยู่ในป่าที่ยักษ์ว่ามหาวิเลยป่าในสมัยนั้น <c oughs> นั่นธรรมหาวิเลยของผู้ดีเจ้าใครไปศึกษาเราเรียนมาแล้วองค์นี้สําเร็จพระโสดาองค์นี้สำเร็จเป็นพระสกิทาองค์นั้นสําเร็จพระนาคาองค์นี้สำเร็จเป็นประานสรุปความนองแล้วเป็นสังพันสรางขจ า, ามีของโลกตลอดมาทุกวันนี้นั่นธมหาวิเลยป่า <c oughs> ทำประโยชน์ให้โลกได้อย่างชุ่มเย็นชุ่มตาชุ่มใจตลอดมาที่เราว่าพุทธทางธรรมบาง ส, รรงสรรังขารสประาจามีเกิดในป่าทั้งนั้นแหละนี่นี่ท่านนํามาสอนโลกเนี่ยนี้เรามาอยู่ในสถานที่เช่นนี้เหมาะสมแล้วเนี่ยกับทางของศักตดาที่ประธานโอวาทไปเรียบร้อยแล้วเรื่องการอยู่การกินการใช้การสอยอันนั้นเป็นของเล็กน้อย เพียงอาศัยไปวันหนึ่งวันหนึ่งแต่เรื่องหลักธรรมภายในจิตใจความมุ่งมั่นต่อต่อธรรมนี่เป็นจริงจะเป็นมากที่จะลดละไม่ได้ในยาบททั้งสี่ไม่ว่ายืนมาเดินว่านั่งว่านอนมีสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมคือความภาคความเพียรความบวความทนแก้ข้อท้อที่เด็ดภายในจิตใจอยู่ไปอย่างสม่ําเสมอเว้นแต่เวลาหลับนอนเท่านั้นตื่นขึ้นมาชาระเพราะที่เล็ดมันหนาแน่นมากทีเดียว แต่ทำระเวลาใดเวลาหนึ่งนี้ไม่ทันนะั่นนกบวชเราเป็นนักที่ออกแนวโรบแล้วหมุนไปทางไหนเป็นแนวโรคทางนั้นปีญยาแห่งการรคทั้งหมดไม่ว่าจะเห็นจะได้ยินได้ฟังอะไรเป็นแนวโลบสติติดตามปัญญาติดตามจิตใจกองทุกสิ่งทุกอย่างคัดออกอะไรไม่ดีคัดออกอะไรที่ดีนํามาบำรุงจิตใจของตนนี่ก็คือนันอ ก, คนกรค อยู่ที่ไหนมีสติอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยปัญญาพิจารณาไข่ขวรสังวระธรรมความสั่รวรตอนอยู่เสมอตาหูจมูกยิ่นกายมันจะสัมผัสสัมพันธ์กับรูปเสียงสิ่นรดที่เป็นพิษเป็นภัยเป็นคุณส่วนมากมีแต่เป็นพิษถ้าเราจะไม่มีธรรมในใจไม่มีเครื่องกัณฑ์กองจะมีแต่พิษจากนั้นเข้ามาทับบนหัวใจเพราะฉะนั้นมันถึงแก้ยากจิตใ จ, จนี่แก้ยากที่สุดเพราะสัมสมตั้งแต่ที่เลดเข้าสู่จิตใจตลอดเวลา <c oughs> หาความว่างมาได้แม้แต่ภาคเราที่ออกมาปฏิบัตินี่มันก็ยังมีช่องมีโอกาสอันมากมายของที่เด็ดที่จะเข้าเตะผ้าให้ล้มเหลวปตามความภาคความเปลี่ยนตั้งแต่ดีจะตามไม่ค่อยเลยเรื่องใดเลยอีกหาความสงบร่มเย็นมาได้เพราะถูกที่เล็ดตีตลอดเวลานี่เรเรียกว่าที่เด็ดมันหนาอืเมืม่อมันหนาอย่างนั้นเราจะแก้ที่เด็ดทารากขที่เด็ดเราจะแกม แบบไหนก็ต้องแบบเอาจริงเอาจำทุกท่าทุกทางทุกตรียาแห่งความเคลื่อนไหวของจิตให้มีส ต, ติติด ต, ตามติดตามสัมวัตธรรกันกองตลอดเวลาถอดถอนกันตลอดเวลาสงกับว่ากิเลสมันหนาต้องเอาให้หนักหนาหนาไม่งั้นไม่ทานกันเมื่อถอดถอนมันเบาบางลงไปเบาบางไปจิตที่เคยว่าบุญขุนวัวด้วยทกิเลกกันหามันเอาไฟเผาเรามันจะค่อยจางไปจางไปด้วยธรรม วิริยธรรมคือความภาคความเพียรสงบใจอยู่ตลอดสติธรรมเป็นเครื่องกํากับความภาคเลี่ยนของตนปัญญาธรรมพิจารณาไก่ฟองเรื่องวิธีธรรมวิริยธรรมเป็นสาคัญมากให้พิจารณาตลอดเวลาเ อ, า เ, อาเรื่องหลับมันเพว่าเว้นกะหลับเว้นไม่เว้นมันก็หลับของมันจะว่าไงเอาให้มันสุดถีดมานั่นแหละนี่คการแก้ออกเคล็แต่ต้องแก้ยากต้องได้ทําทุกเวลาเวลา ไม่มีบทใดต้องเป็นนักต่อสู้อยู่ตลอดนี่เมื่อเป็นเช่นั้นที่เด็ดมันจะหนานแน่นมาจากไหน <c oughs> พระบุตรเจ้าที่เล็ดท่านมากขนาดไหนพังลงจนแต่กระจายไปหมดเป็นโลกศ า, าสตร์สูญตัวโลกรว่างไปหมดเลยไม่มีกิเล็ดตัวใดเข้ามาต่อสู้หมดโดยสิ้นเชิงพราอำนาจแห่งความภาคาพาเพียมความบดความทานของพระองค์อันนี้เราเป็นลูกขีดตาโกดจะมาว่าแค่อ่อนแอไม่ได้นะ ต้อมีความเข้มแข็งตลอดเวลาในการากําระกิเลสเรื่องภายนอกไม่เป็นของจําเป็นอืออยู่ที่ไหนอยู่ได้ไปที่ไหนถ้าเราเป็นอยู่กับแดนพุทธศาสนาไปที่ไหนไม่เคยได้บาปเปล่ากลับมาแหละมาเท่าเต็มบาตเต็มบาตมามีไล่ฉันพออยู่พอไปถ้าขันเป็นไปในวันหนึ่งเท่านั้นพอแต่เรื่องความภาคเพียร น, นี้หนักแน่นตลอดจะอดจะอิ่ไม่จะถอยทางความภาคเพียออื หนุนตลอดเวลานี่แหละผู้ตี่ทรงนักทรงผลทั้งทำอย่างนี้ทางของศาสดาจสอนอย่างใดเป็นสหวัฏธรรมจักไวะชอบทางนั้นทางนั้นเป็นทางที่เบิกกว้างเพื่อให้อยู่พ้นจากทุกโดยใยเดียวนอกจากเราจะตัดน้ําคือกิเลสไปก้วนอันั้นตรงนี้มา ก, กั้นทาง ต, งตัวเองจนหาทางออกมาได้ก็ น, นอนจมอยู่กับเพีรเสียเท่านั้นเองมันก็เป็นเรื่องของเราเองเรื่องเวเญญาณมิจะเปิดข้าให้ออกจากทุกขโดยายเดียว นี่แหละทางของศาสด า, าท่านําเนิดอย่างนี้สุบสนร่อ น, นเวลานี้จะไม่มีเหลือแล้วนะวงกรรมฐานจะหมดจะสิ้นไปเพราะําน้าแข่งจอกแข่งแหน่ปกคุมผู้มหมอดน้ําที่สะอาดคือช้ำภายในใจที่เละนั่นแห ล, ละคือจอ่อคือแหนมันปกคุมอยู่ภายในหัวใจออแก้ไหนแหน่ไห น, ไหนมองไปเลยมีตั้งแต่เรื่องที่เละล่าไปเข็นไปเข็นไปทำมาไม่มีปรากฏเพราะนั้นจึงต้องชาระให้มาก ที่เลียนคือจอคือแหน้มันปกกลุมหุห่นหอนาแ น, น่นมากความเพีย่นถอถอนที่ เ, เลือกเลิกเลิกจอเลิกแหน้มนคือที่กออกต้องเอาให้ดังหนักอย่างหนักจิตมันจะวุ่นไปโรคไหนก็ให้มันไปเสื่อเนื้อทําไปไม่ได้ถ้าเรานํำทำเข้ามาปฏิบัติเฉพาะอิจตภาวนาเป็นสําคัญมากทีเดียวอิตภาวนาคือการอบรมได้แก่การสอบสองมองดูจิตของตัวเองที่เคลื่อนไหวตหลอดเวลานี้ด้วยสติด้วยปัญญา คัดเลือกกันอยู่โดยสม่ำเสมอกินก็สงบได้เพราะที่เด็ดตัวรับควนมันค่อยเบาบางเบาบางกินสงบได้นั่นแหละเราเห็นความแปลกประหลาดของจิตาจที่จะพาฒนาของเราจากนั้นก็เริ่มกินสงบเย็นและสบายคนเราถ้ากินไม่สบายสิอย่างเดียวเราสมองแบกเงินทองของกองเข้าภูเขาภูเขาก็มันมีความหมายและความชุกมันอยู่กับหัวใจมันไม่ได้อยู่กับภู สมบัติเงินทองกองเท่าภูเขานะมันอยู่ที่หัวใจเมื่อเราชำระจิตใจของเราที่ทเต็มไปด้วยกิเลสตัวสร้างทุกข์ให้เรานั้นออกเบาบางไปโดยลําดับลาดาลแล้วจิตใจเราจะค่อยสงบแล้วสว่างสวยขึ้นมาความทุกข์มีจ้างไปจ้างไปความสุขไม่ต้องหามาจากไหนหามาจากที่เคยเป็นทุกข์เพราะกิเลสทับหัวมันอยู่นั่นเองพอกิเลสจางไปความทุกข์จะเบาไปเบาไป ทำจะปรากฏขึ้นมาเป็นความสงบเย็นใจ <c oughs> นี่แหละการปฏิบัติท่านมาผลอิพานมีอยู่ยางสดสดร้อนๆท่านเรียกว่าอาการดีโกมีอยู่ตลอดเวลาสดสดร้อนๆแว้นแต่ผู้ที่อสัตว์โลกทั้งหลายไม่สนใจแต่ปฏิบัติหาธรรมกว่าเราตั้งแต่กิดจึงมีแต่ฟืนแต่ใบไปที่ไหนร้อนอยู่ทั่วโลกดินแดนนะแล้ <c oughs> วอย่าไปสําคัญว่าโลกนั้นสบายโลกนี้เจริญโลกนั้น ไม่เจริญมันเป็นไฟไปด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละไอ้เรื่องด้านวัตถุอยู่ที่ไหนมันก็เต็มไปด้วยด้านวัตถุเรานั่งเราเหยียบเรายืนไปมาก็เป็นด้านวัตถุวัตถุเตมโลกแต่ของสารมันมีอะไรบกคล่องมันโบกคล่องแต่ผู้ที่จะสอบแสวงหาความสุขความเจริญถูกทางหรือไม่ส่วนมากมันวิ่งไปตามทางของพิเลนมันก็เป็นฟืนไฟเผาไหม้นั่นะแล้วโลกมันนี้เลยหาความสุขไม่ได้เพราะหาตามทางของพิเรนจะหาความสุขไม่ได้เลย ถ้าหาตามทางของธรรมมีมากมีน้อยก็รู้ว่ามันมีโลกอันนี้มีมากมีน้อยมีอนิจจังทุกขงังอนิจจาครอบมันอยู่แล้วรู้เท่าตามเป็นจริงของมันส่วนธาตุส่วนขันที่อยากเยียวยากันในรานมีชีวิตอยู่เอาขวัขวายมามถ้าขันเรงเรามีความกกพร่องต้องการเครื่องเยียวยายอยู่เสมอก็หามาเยียยากันส่วนจิตใจแห้งปากจากสินใจตามหาความสุขไม่ได้มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนแม้สมบัติจะมีกองเท่าภูเขา ความสุขหาทั้งทางใจก็นม่มีเพราะไม่มีธรรมภายในใจนี่แหละสําคัญอยู่ตรงนี้ยังให้ภาคอนพยายามข้นขวายทางธาตุขันจำเป็นทางธาตุขันเอาหามาบํารุงรักษาพอเป็นไปทางธาตุทางจิตใจของเราขาดอัดขาดทำเครื่องบารุงจิตใจให้มีความสมบงบร่มเย็นก็ให้ยายามข้นขวายสร้างความดีใส่ตนสร้างความดีด้วยการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนา นี่คือการสร้างความดีเข้าสู่จิตใจใจจะมารับอะไรสมบัติอะไรจะมีมากน้อยเท่าไรใจจะไม่เป็นผู้ได้รับผลอันดีงามนอกจากคุณ ง, งามความดีที่โถงสร้างไว้ซึ่งเป็นสมบัติของใจเท่านั้นใจจะได้รับอันนี้เป็นเครื่องสนับสนุนอยู่ที่ไหนก็เย็นก็เย็นเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกนี่มันมีความจำเป็นทั้งสองอย่าง ท, งทาทงธาตุขันก็มีความบกพร่อมต้องการตลอดเวลา แล้วก็พยายามหาระับําบหลวงสามทางหน้าจิตใจก็มีความบมากป้องจากศีลจากธรรมจากความงามทั้งหลายก็ให้พยายามผลขวายบำเพ็ญกันให้มีความสม่ำเสมอตายแล้วทิ้งสิ่งเหล่านี้ไม่มีความหมายร่างกายตายไปแล้วสิ่งเหล่านั้นก็หมดความหมายวิธีการปีตยังมีความหมายให้มีความดีติดเนื้อติดตัวไปที่ไหนแล้วไม่ติบตันอันตูกคนเรา มีความสว่างสวัยเย็นไปเย็นไปไปพบใดพวกของคนมีบุญเป็นความสุขทางนั้นแหละไปพบของคนมีบาปนีไปพบไหนก็เจอตั้งแต่ความผิดหวังขึ้นิจหวังเจอตั้งแต่ไฟนกรกเผาตลอดไปเลยอืมเนี่ยคนสร้างบาป <c oughs> ล้วให้เชื่อพระพุทธเจ้านะ่ะ <c oughs> บาปบาปว่บาบุญนี้มาพบว่บาพระพุทธเจ้าองค์ใดไม่เคยลบล้างได้เลยยอมรับว่าบาปมีบุญมีมาตั้งแต่การนไหน เวลาตรัสสรู้ขึ้นมาแล้วกตรัสรู้สิ่งเหล่านี้ลเห็นตามเป็นจริงแล้วลบไม่ได้อ๋อบาปนี่มีมาดั้งเดิบุญมีมาดั้งเดิมเหมือนกับไฟกับน้นาําน้ําเย็นจับเ ม, มื่อไรก็เย็นน้าร้อนจับเมื่อไหร่ก็ร้อนไฟจับเ ม, มื่อไรก็ร้อนนี่ยมีอยู่ตลอดเวลามาตั้งเดิจะลบล้างมันไม่ได้เราก็ต้องเชื่อเมื่อเราเชื่อแล้วอันใดที่จะเป็นเฟื่องไส้เผาไหมเราเช่นบาปเช่นกรรม เราก็อย่าไปทำํำเลยเรารักเราสมหวนเราเราต้องหาของดีของดีมาสู่เราของที่ไม่ดีปัดออกปัดออกนี่เรียวออกว่าคู่รักษาตนนาาัทธะอัฏฐสมังไปมังนาทีอัฏฐสมังไปมังไม่มีความรักใดเสมอด้วยความรักตนความรักตนนี้ไม่ว่าจับไม่ว่าบุคคลรักเสมอหน้ากันหมด อันนีเราลักเราด้วยความเป็นมนุษย์มีศีลมีธรรมให้ลักตนโดยศีนโดยธรรมอย่าลักตนและหาแต่แต่ความชั่วช้าหละโมบมาปิดปื้อกิจใจและเขาจิตใจลงในรกนี่ไม่ใช่คนรักตนคนรักตนต้องปาดสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายสร้างแต่ความมีานามขึ้นใจใจของตอนผู้นี้จะเบิกกว้างไปพบใดเป็นพบของผู้มีบุญเป็นลําดับลําดาไปจนกระทั่งถึงที่สุดนิมมุติพันิปันจา นอกจากบุญกุศลนี้ไปไม่ได้บุญกุศล น, นี้เป็นเครื่องหนุนจิตใจของเรานี่ละที่ว่าที่พึ่งของใจสมบัติของใจธรร ม, มสมบัติเป็นสมบัติของใจเมื่อใจมีสมบัติแล้วอยู่ก็ไม่จนตอกตะมงตายแล้วก็ไปสถานที่บุญกุศลี่ธนสร้างไวแล้วจะนำไปพาไปไม่ยากนะใ ห, ให้พากันขวา ย, อยาง <c oughs> นีผ้าเราก็ให้ตั้งใจปฏิบัติเอาให้จริงให้จรงผ้า การพิจารณาทำได้านของข้านี่ให้เน้นหนะกทางสติให้ดีนะอยู่ที่ไหนถ้าพูดตั้งหลักตั้ฐานยังไม่ได้ให้ตั้งสติให้ดีนำคำบุิกรรมเข้ามากำกับจิตใจของตนเช่นพุโทโธพุธโทโธเป็นต้นนี่ตามแต่จิตนิสัยที่ชอบในคำบริกรรมบทใดให้นำคำบริกรรมบทนั้นเข้ามาแล้วติดแนบไปด้วยสติมีความรรู้อยู่กับคำบริกรรมเช่นพุโทโธพุธโทโธเป็นต้นมีสติติด ปิดทางความคิดความปรุงของที่เหลือที่ออกมาจากวิชาปัญญาสร้างขานรมันหนูนออกมาให้อยากคิดอยากปรุงอยากรู้อยากเห็นอย่างนะั้นอย่างนี้มีแต่ความอยากเต็มหัวใจนั่นคือที่เหลือปิดออกให้หมดปิดไปให้หมดให้เปิดทางตั้งแต่พุทโธพุทโธไปะจนกับสติปิดหนา้าเดีวยวกันใจเงียสงบเย็นลงเย็นลงเย็นลงเรื่อยน่นละทีใจสงบ เมื่อใจสงบแล้วสติเราไม่หยุดไม่ถอยบำรุงกันเรื่อยใจก็เป็นสมาธิแน่นหนามั่นคงขึ้นมาภายในจิตใจใจอิ่มเปิบด้วยอดด้วยฉ่ำอยู่ที่ไหนสบายหมดเช่นอยู่ในป่าในเขาพระท่านบําเพ็ญอยู่ในป่าในเขาจะเข้าใจว่าท่านเป็นเศษมนุษย์ือนั่นแหละมนุษย์ที่จะเริ่มเป็นความเลิศเลยคือมนุษย์ประเภทนั้นนะมนุษย์มนุษย์ที่ ใครไม่ปรารถนาไปอยู่ในป่าในเขาเหมือนผ้าทิลี่แต่เป็นผ้าทิลี่ห่อทองท่านอยู่ในป่าในเขาทุกยากลําบากแต่ทำในหัวใจท่านสง่างามสง่างามนี่คือทองทำกับทองเทียบกันอย่างนี้ท่านอยู่นั้นท่านสบายนะอืนี่หมายถึงผู้บางเทนอยาอยู่ที่ไหนไหนอย่ า, ยาไปตื่นดีฝ้าอากาศมืดกับแจ้งมีมาดั้งเดิมตั้งแต่การไหนไหนให้ดูเรื่อง เหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับจิตส่วนมากจะเป็นเรื่องของที่เหตุเกิดขึ้นตลอดเวลาก็มีสติปัญญาครอบไว้เสมอบังคับเป็นน้ำดับไฟน้ำดับไฟอยู่ตลอดเมื่อมีกำลังน้ำมากที่นี่ไฟคือความรอ้อนโรโรกวนกรบาดภายใจใจจะสงบตัวลงสงบตัวลงแล้ว จ, จิตใจจะเย็นหรือว่าอบอุ่นั่นขึ้นภายในใจต่อจากนั้นใจก็จะสง่างาม ใจสง่านามไม่มีอะไรเสมือเหมือนในโลกนี้เพราะฉะนั้นความทุกข์ก็ดีความสุขก็ดีเราจะไปหาโลกไหนไม่เจอแต่มีอยู่กับหัวใจของมนุษย์ศาสตร์นี้เท่านั้นนี่แหละเป็นมหาเหตุให้ระงับตัวนี้ให้ได้ความสุขที่เกิดจากธรรมคือการบำเพ็ญของเราจะปรากฏขึ้นที่ใจอยู่ที่ไหนสง่าง า, ามไปหมดนี่แหละท่านผู้สอบแสวงหาฉัรที่ว่าคงทรงมากทรงผลต้องทรงอันนี้ล้วให้ดี ทรงความภาคความเพียรสติทำปัญญาธรรมวิริยารมอุตสาหพยญยามไว้ให้ดินไปที่ไหนเหมือนกับว่าตามสเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ทุบสีก้าวเลยถ้าเป็นผู้มีสติทางความภาคความเพียรอยู่ตลอดเวลาเหมือนตามสเสด็จพระพุทธเจ้าตลอดเวลาถ้าขาดสติไปเสียขาดความภาคความเพียรก็เสียสําหรับพระนักปฏิบัติเราเรียกว่าเฮินห่างจากพระพุทธเจ้าไปตลอดเวลาและใกล้ชิดติดพันกับสติ ปัญญาศรัทธาความเพียรหมุนที่ขม้าใจที่เป็นตัวฟืนตัวไฟดับมันลงด้วยน้ําคือความเพียรของเราแล้วใจของเราจะเริ่มเด็นเป็นเย็นขึ้น น, น, นี่แหละอยู่ที่ไหนชง่างามเลยให้พระกันจดจาเอาพ้าลูกพระหลานมีน้อยแล้ววงกรรมฐานเวลานี้อืมให้พระกันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเราในมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าเราอยากให้มีพระในพระกลางของเหล่านี้แหละ เป็นผู้ปฏิบัติที่แได้หลักด้เกณฑ์นในแน่ใจในตัวเองแล้วมาสั่งสอนประชาชนประชาชนเขาเกาะก็จะได้รับความยอมเย็นเกาะติดกาะติไม่ผิดไม่พลาดนะผู้ปูวาอาจารย์ผู้มีหลักมีเกณฑ์เป็นสาคัญมากเพราะท่านได้หลักไดเกณฑ์พูดอะไรถูกต้องมั่นยำดุยยิไปปฏิบัติก็ได้รับความประคุณและเป็นสาระคุณแก่ตัวของเราไม่ใช่ว่าพลาดพลาดแล้วทำทำท ำ, ทำที่ไหนมันกรรมนี้ ทำความจําก็มีทำความจริงก็มีทำความจําเรียนมาก็จําได้แต่ที่เรศมันไม่ยอมถอยจในในําได้เฉยที่เรศไม่สลับกอเปิดถ้าพาดปฏิบัติมีเรียนมาตรงไหนแล้วปฏิบัติตามที่เรียนมาแล้วที่เรศจะค่อยถอยห่างออกไปห่างออกไปมีเรียกภาคปฏิบัติก็เป็นความจริงขึ้นมาภในใจตีลูกขึ้นภในใจเวลาพูดออกมาก็ไม่ผิดพลาดแน่ใจตัวเองแล้วช้อนไข่ก็ไม่ผิด ถ้าลวงจะฟ้องแน่ใจและสอนไขรได้ทางนั้นถ้าจะฟ้องไม่แน่ใจก็ยื่นจากความผิดพลาดความล้มไส้ล้มเทให้ผู้มาฟังทั้งหลายไม่ควาดสาระประโยชน์เท่าที่ควรนะถ้าจะฟ้องเป็นผู้แน่ใจใน่าอาจจะทำทุกขั้นทุกภูมิของฟ้องด้วยแล้วนั่นหลับสอนตงไหนผู้ที่ตรงไหนเป็นอาจเป็นทําทุกขั้นทุกภูมิของทํา ตลอดมีมูดบูดคน้นมาผลที่ผ่านไม่ผิดพลาดผ <c oughs> ู้เกาะผู้ยืดก็แม่นยำภายในใจปกอุ่นเขาติดก่อติดก้าเดินไปด้วยความสะดวกล่าบรื่นนี่เราต้องการเสมอที่อยากจะให้พระเราทางพระปฏิบัติได้มีหลักมีเกมมาอยู่เฉพาะจังหว่งี้คือพระการเราขาดพระปฏิบัติมากที่เรียวมีมีเรียงน้อยเรียงน้อยนี่ท่านสงบท่านหยีนี่ก็มาจากวัดป่าบรรตายมาอยู่ที่นี่ ก็ได้ทราบเท่าที่ทราบมาก็าเป็นมงคลพอสมควรเราก็อบอุ่นในฐานะที่เราเป็นอาจารย์ได้สอนท่านสงบมาแล้วถ้าปฏิบัติตรงดีแล้วก็พอใจสมเจตนาที่เราสอนเพื่ออะไเพื่อทำรดรว น, วนแล้วก็ให้มาเป็นความร่มเยน็นเป็นเกาะเป็นดอก็อยังดีถ้าไม่มีเลยพระปฏิบัตินี้ขาดมากนะพระปฏิบัติเป็นสําคัญมากตามหลักของศาสดาเป็นอย่างนั้น <c oughs> แต่มีผ้าผ้าปฏิบัติเจ้าของต้อปฏิบัติ ในรู้และเห็นตามหลักความจริงที่เป็นจริงภายในจิตใจแล้วสงา่าผ่าเผยภายในจิใจองค์อาจกล้าหาญฉานไทยไม่สะทกทัานว่าจะผิดไปเพราะความถูกต้องเต็มหัวใจอยู่แล้วเฮศไปก็แน่แน่นอนแน่นอนไปโดยลำดับนี่หละเราอยากได้ภาพประเภทเหล่านี้นะมาอยู่ทาผ้ากลางเราเพราะผ้ากลางเรารู้สึกว่าขาดผ้คปูบางกลางที่มีหลักมีเกณฑ์มาสั่งสอนอยู่บ้างเสียวอีกเราจึงอยากให้มี ให้มีเป็นนั่นเพราะบรรดาศิษย์ทาญาติโยมทั้งหลายชวนมากไหลไปสัมภาษณ์ดีสารเพราะทางนู้นมีครูวาจาร์เพปฏิบั ต, บติมีอยู่มากบรรดาใจท่านแต่เราไก็เหมือนกันที่ไหนเป็นที่แน่ใจเป็นที่อบอุ่นมันก็ต้องไปใกล้ก็ไปไกลก็ไปไมนควรจะไกลนักควรจะได้ตามแถวนีก็ อ, อยากให้มีครูวาจาร์มาอยู่เป็นหลักเป็นเจวนี่กระจายกันไปไปมาหาสู่กันได้ง่ายเราอยากให้มีอย่างนั้น จึงต้องอุตส่าห์พยายามแนะนาสั่งสอนพระเราอย่างไงขอใเอาฝึกขนตนให้ได้ซะก่อนเรื่องการสอนคนภายนอกมันทำมาเองเป็นเองตามนิสัยวัฒนาของแต่ละรายละลายตัวต้นต้องเอาให้เจ้าของให้แน่นหนามั่นคงเป็นที่แน่ใจของมากน้อยอย่างไรขนอันนี้จะกระจายออกไปเปลี่ยนไม่อยู่เลยออืจะเอาไว้ไหวภูเขาลูกไหนมันก็รู้คนไม่รู้เทวบูดเทวดาก็รู้เช่นอย่างพระพระกิตาภูริกัน ท่านอยู่ในภูเขามาตั้งหกสิบปีไม่มีคนเข้าไปเกี่ยวข้องท่านไม่ยุ่งกับใครแต่เทวดาห้อมล้อมเต็มตลอดเวลาเทวดารักท่านมากเคารพท่านมากท่านก็เมตตาเทวดามากนี่แหละมนุษย์ไม่ค่อยรู้แต่เทวดานี่รักมากใครไปชุมสี่ชุมห้าไม่ได้แสดงเหตุตา่ตางๆให้เห็นเละนี่พระกิตตภูด <c oughs> ท่านเป็นอย่างนั้นอันนี้เราก็เทวดาก็ จะมีกมีก็ตามตามคนพวกหูห่วกตาบอดเราลบล้างไปเสียให้มีแต่แมนุษย์ด้วยกันจะมีแต่กูบ า, าจารย์ในการก็ขอให้มีมนุษย์ที่ดีสนใจในศีลเนธรรมมีกูบ า, าจารย์ที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ให้ศีลใน้รรมต่อเรานี่ก็เป็นมงคลอย่างยิ่งอยู่แล้วเราจึงต้องการอยากให้มีพระกรรมฐานเรามีหลักมีเกณฑ์ทางด้านปีตาภาวนาในะรับการอบรมถูกต้องดีงามมาเรียบร้อยแล้ว แล้วสั่งสอนบรรดาชนจะเป็นความช่งางอ่างามไปมากและมีความสงบลงเย็นทั่วหน้ากันไปโดยลําดับลาดาที่สถานที่มีพระภูวาจารย์ที่แน่นอนอยู่ในสถานที่นั้นแนะนําเป็นอัดเป็นธรรมเรา <c oughs> ว, ว่าอยากให้ลแห่ละผลวิ่งเช่นอย่างภาคกลางโดดไปทางภาคอีสานส่วนมากมากไปทางโน้นเพราะภู ว, วาจารย์มีอยู่ทางโน้นมากก็ต้องไปทีนี้มีอยู่ทางไหนมากหัวใจคนมันก็ต้องไปอืม การลําบากก็ไปใกล้ไม่ลําบากมันก็ไปนี่ไม่ลําบากระบิมากหนะักเราอยากอยากให้มีพระกรรมฐานที่มีหลักมีเกณฑ์นี่อยู่ทุกแห่งทุกหนแต่เพราะผ้ากางที่ขาดรวมกรรมฐานมากทีเดียวเราจึงอยากให้มีบรรดาลูกศิรลูกพาวไหนที่พอเป็นไปเราก็อยากให้มีในทางแถวนี้บรรดาลูกศิรทั้งหลายที่ไปอบรมในวัดป่าบรรดาทั่วประเทศไทยไม่ใช่ใ น, น้อยถ้าพูดตาม ทำถัดความจริงแล้วล้มตาบัวนี่มีลูกศิษย์ฝ่ายพ้าที่มากที่สุดแต่มันมากกับเล้วเดี่ยวไหลไหลโรเล็กเล็แล้วท่านสงบท่าน ย, ยีมาอยู่นี่มันโรเลโรคเล็กนี่เป็นอะไรก็ไปทราบเพราะนี่เป็นลูกศิษย์ล้มตาบัวล้มตาบัวจึงไม่ไว้ใจให้ท่นนานทั้งหลายพิจารณานนะถ้าทาไม่ถูกก็เลยให้ตีเลยก็ไม่ไตีนะสูงๆก็ตีต่ำๆนะฟากแข่งเข้าใจไหมหแข่งหักนี่ครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างนี้เหรอว่ามันเข้าใจเหรอ เตือนเนี่ยหลวงตาสั่งมาไม่เป็นไรใกล้เลยแท่งให้แค่ลูกศิลป์ต้องบวน่ะมันไม่เป็นท่าก็ตีแล้วหนักมันใจนี่นี่และเรื่องราวไปที่เราต้องการอยาร่างไร้พระเจ้าประสมมาปฏิบัติลงทําขึ้นเกิดขึ้นในใจแล้วมันจะสร้างงามมากทีเดียวนะ่ะไม่ต้องไปหาใครมาเป็นสัจธรรยายาจ้าขึ้นภายในจิตใจพอแล้วสําหรับเราคนเดียวพระพุทธเจ้าจัดสรูปพระ อ, องค์เดียวเป็นศาสดาด้วยสามโลกศาสตรนั่น องคุบาจ้างทั้งหลายที่เป็นสังฆธรรมศาสน า, านของพวกเราท่านไม่ไปหาพยานที่ไหนบรรลุผลง ข, ขึ้นมานี่แดนโลกธาตุนี้สว่างจ้าไปหมดนี่ละผู้นำธรรมมาสอนโลกโดยความสว่างไสวเราก็อยากให้ดูสีดูหากองเราปฏิบัติตนตามทางของศาสนาแล้วจะเกิดธรรมเหล่านี้ขึ้นมาโดยไม่ต้องสงสัยมนาจะสว่างขึ้นมาตามนิสัยวาสนาของโตนการแนะนำสอสอนประชาชนขึ้นกับนิสัยวาสนา ส่วนความมือสุดอันเป็นที่อุ่นในตัวเองนะควา ม, มอบอุ่จาประชาชนนั้นปิดไปอยู่ต้องเราต้องเปลี่ยนแต่การแนะนำสัมสอนจะกว้างแคบหนักเบาขนาดไหนเป็นไปตามนิสัยวาสนา <c oughs> ในข้ามกาุศลท่านก็มีมาอย่างนั้น <c oughs> บางองค์ท่านสําเร็จแล้วท่านอยู่ในป่าเลยไม่ออกมาเกีย่ยวข้องกับผู้ใดถึงเวลาจะนิพพานมาทูลลาพระเจ้าแล้วไปนิพพานเนีย่ยอนั้นก็มีผู้ที่จยากสอนโลกโดย โลกธาตุกระเทือนไปหมดก็จํานวนมากมายบรรดาสาวกของพระเจ้านี่อหละนิสัยวัฒนาต่างกันอย่างนี้ส่วนดีนใจขอให้เป็นพื้นฐานอดีงามที่เลิกเลือดพาเดจใจเถิดอันนี้เป็นความร่มเย็นเป็นสุขขอให้บรรดาพระลูกพระหลานตั้งหัวตั้งใจปฏิบัติการโขกการฉันการไปอยู่ปัวไม่ยากสำหรับกรรมฐานเรามีอะไรหลายฉันได้หมดพออย า, ากจะภาพให้เป็นไป ไม่ยุ่งกับสิ่งภายนอกยิ่งกว่าภายในที่จะค่ากิเลภายในใจตัวยุ่งอย่างเนี้ยให้มันขาดสวรรไปจากใจนี้เป็นที่พอใจสมพระไตยของพระพุทธเจ้าที่หลวงเนี่ยนำสั่งสอนนั้บรรดาสาวกทั้งหลายได้บรรลุธรรมขันต่างๆจนกระทั่งถึงอรหัตบุคคลและเป็นที่พอพระไทยเราจะนองตามสติพระพุทธเจ้าก็อให้ําเนินตามสวรรคาธรรม จะเป็นการเสด็จตามจะเป็นการตามเสด็จผู้เจ้าทุกสีเก้าเลยแล้วล ว, วันนี้เทศสนาว่าการเป็นขนี้ผู้ไปพู้มารู้สึกเห็ื่อยหนื่อยให้บรรดาพระดูหลานยืดเป็นคติเครื่องเตือนใ จ, จนำไปปฏิบัติหลักธรรมการเทพสนาว่าการในเทพก็มีมากอยู่แล้วควรจะยืดไปเป็นคติเะฉนั้นฟังเสียงอาจเสียงทำตามเทพนั้นปฏิบัติไปตามนั้นจะไม่ผิดพลาดเทพของเราที่เสด็จนี้เราแน่นอนในตัวใจเรา ไม่ว่าเทศในขั้นใดภูมิใดเราไม่เคยสงสัยในธรรมที่สแสดงออกเลยตั้งแต่เบื้องต้นจกกนกระทั่งซูดฉีดมีธรรมทุกขั้นที่เราเทศเราไม่สงสัยทุกขั้นของธรรมที่สแสดงออกผู้ปฏิบัติเมื่อว่าปฏิบัติประการนั้นเราก็แนี่ยแว่าไม่ผิดแน่ๆนะให้เอานี่เป็นยืดเป็นหลับเป็นเกย์ไปปฏิบัตินะอาการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่ยทาเกี่ยขันการไปร่ำเวลา ขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายโดยทั่วกันเถิดบวงกรรมฐานีสายทางภาคอีสานมีมากตลอดนะทางภาคอีสานมีข้ามากมาตลอดเพราะต้นต้นลำใหญ่อยู่ทางโน้นเริ่มมาจากหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นที่นี่บรรดาครูวายจามทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นงหลวงปู่เสาเ ก็มีมากกระจายออไปทั่วไปหมดทีนี้ลู่ิูกหาก่อกระจายไปตามนั้นด้วยเหตุนี้เองพระกรรมฐานจึงมีมากในทางาพาะอุษมเพราะต้นลำอยู่โน้ทางนี้เบาบางเราอยากให้สร้างต้นลำขึ้นที่แถวนี้เพื่อให้เป็นที่ออุ่นแก่บรรดาพระเจ้าประสงค์จากผู้วาจารย์ผู้ปฏิบัติมาแล้วด้วยความมั่นใจสอนโลกจะเป็นที่มั่นใจ ผู้เข้ามาเกี่ยวข้องก็มั่นใจและมีกำลังใจที่จะปฏิบัติจากตัวมักผลิพานเช่นเดียวกับครั้งบุตรเจ้านทรงพระชมดูข้อมักผลิพานชอบจอ น, นล่อยอยู่ตลอดเวลานะเป็นแต่เพียงว่าจอกแหน้มันปกคุมเหมือนว่าสระใหญ่บึงใหญ่นี้เต็มด้วยน้ำใช้ใช้สะอาดแต่ถูกจอกแหน้ปกคุมเมื่อเปิดจอกเ ป, เปิดแหน้คือกิเลสนะปกคุมจอบแหน้ม ออกเลื่อยด้วยคอมพักเปลี่ยนแล้วเราจะเรียมองเห็นน้ําเห็นน้ําท่วมล้นร้อนเลยนั่นอ่ะเปิดออกไร้เมื่อไหร่ก็เห็นน้าท่วมล้นร้อนดูในหัวใจเรานัเนี่ยซึ่งเป็นเหมือนกับบึงกระบอกใหญ่นะที่ทางทั้งนี้ก็มีที่เรารับไว้นะเรารับไว้คือส่วนมากที่เขาจะเขาจะไหวที่เราไม่ค่อยรับเพราะหาตัวประกัน ที่จะมาอยู่ในวันนั้นยากเราจึงไม่คอยรับอย่าีเช่นอย่างวัดอาจารย์เชี่ยนี่เขาจะหวายเรารับแล้วก็ต้องเป็นภาระหาพระที่น่าไว้ใจมาอยู่เรก็พอดีได้ไม่หมอาจารย์เชี่ยท่านก็มาดูให้ <c oughs> นี่เราก็เบาภาระไปนี่วัดป่าล้งตะบัวที่เมืองการแล้วก็ให้ท่านจันร์ <c oughs> ท่านจันมาอยู่แทนเนี่ยถ้ารับตรงไหนก็ต้องเป็นภาระนะ เ, เพราะงั้นจริงรับยากอยู่แต่นี่มีผู้ที่เป็นพาระรับอยู่แล้วมันก็มันก็ไม่ยากอันนี้แต่รนะัแล้วต้องหาตัวจ้งตัวตีมาเป็นผู้ดูแลรักษาเนี่มันเป็นภาระ <c oughs> านะยุตังแถวนี้ยุ้มมีอยู่สองแถมนี่เรรับนะที่วัดป่าหลวงตาบัวเมืองการนี่ก็ให้ท่านจันมาอยู่ ท่านอาจารนี่ก็เคยอยู่วัปวดป่าบรรจารย์มาตั้งโหนานนะออกจากนั่นมาทั้งก็เข้ามาอยู่ทางเมืองเมืองการแล้วเข้ามาอยู่ติดเข้ามาพอแล้วรับที่แล้วก็ให้ท่านมาปรึกษา ห, าหรืออยากให้ท่านรับภาร ะ, ะมาเป็นสงฆานที่วัดปา่าหลวงตาบัวท่านก็รับให้เพราะงั้นท่านถึงได้มาอยู่นี้ แต่ท่านนิสัยวัฒนาท่านไปทางเสือนาทางสัตว์อู้วิวัดท่านมีแต่สัตว์แต่เสือเป็นหมดเต็มไปหมดเลยเสือก็เป็นเสือที่ดีซะด้วยนะน่ารักไม่น่ากลัวนะไม่ได้ยินว่าตะปบหรือกัดใครเลยนั่นนี่วัดนั่นก็เป็นหลวงธันจันวัดนี่เป็นอาจารย์เที่ยวเที่ยที่เรารับสองแน่ก็เป็นภาระได้หาพระมาอยู่เราจึงไม่ก็จะรับแต่นี่มีผู้เป็นบารารับ เรื่องพระเร่องไรอแล้วมันก็บอกใจเราไม่ว่าอะไรแต่เรารับแล้วเราเป็นภาระ ห, หายหาพามาลุกมันหลายครั้งหลายหนหนักมากเลยนะเยอะไรหรือไม่ล่ะทีนี้มันไม่มีแล้วนะอย่างนี้เราจะกลับแล้วนะไม่มีอะไรแล้วพระเราให้พระกันตั้งอกตั้งใจนะเอาให้จริงให้จริงในพระการปฏิบัติของพระเราเราจะได้เห็นมากผลที่พานขึ้นที่หัวใจเรานะ ไม่ได้ไปขึ้นอยู่ที่เมืองอินเดียที่พระเจ้าปริยิพานนะจ้าขึ้นที่นี่เพราะที่จะทําอยู่ที่นี่เปิดก็ได้ที่นี่แล้วจ้าขึ้นที่นี่เลยขอให้ดําเนินตามแนวทางที่ศาสตาสอนไว้เถอะจะไม่เป็นอื่ศาสดาสอนไว้เป็นสวดคารธรรมจารไว้ชอบแล้วนั่นถ้าเป็นแดดเป็นกางก็งงแนวน่นไม่ผิดไม่พลาดทำก็สอนในอย่างกงแนว ปฏิบัติตรงนี้เรื่องมากคนทล่ผ่านจะไปหาสมัยนู่นสมัยนี้ให้ดูหัวใจที่เล็กของเรามันไม่มีการสถานที่เวลาเวลามันครอบอยู่ที่หัวใจทำมาเปิดออกก็ไม่ต้องหาเวลาเวลาแล้วจะจ้าขึ้นที่หัวใจเรานะอห้นความกจํจำทุกคน